ให้ทานอย่างไรจึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์ทีนี้ก็มาดูว่าบุญนั้นแค่ไหนการทำบุญท่านเรียกว่าบุญกิริยาหรือเรียกยาวว่าบุญกิริยาวัตถุคือเรื่องของการทำบุญญาติโยมที่คุณวัดจะนึกออกว่าบุญกิริยาวัตถุมีสามอย่าง คือ 1. ทานการให้เพื่อแผ่แบ่งปันสศีลการประพฤติสุจริตมีความสัมพันธ์ดีงามไม่เบียดเบียนกัน 3. ภาวนาฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเจริญปัญญาทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่งภาวนา ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งและสูงขึ้นไปตามลำดับด้วยศีลเป็นบุญที่สูงกว่าทานภาวนาเป็นบุญที่สูงกว่าศีลแต่เราสามารถทำไปพร้อมกันทั้งสามอย่างเหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระที่วัดว่าเป็นการทำบุญแต่ให้แกชาวบ้านเรียกว่าเป็นทานเฉย เรื่องนี้อาจเกิดจากการที่ว่าหนึ่งเวลาเราไปถวายแก่พระที่วัดเราไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียวเท่านั้นคือในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องทายธรรมหรือทำอะไรที่วัดนั้นนอกจากทานเป็นอย่างที่หนึ่งแล้ว 2. ศีลเราก็ได้รักษาไปด้วยคือเราต้องสมรวมกายวาจาอยู่ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยาและการสำรวงวาจาต่างๆนี้เป็นศิลทั้งสิน้นและเวลานั้นเรางดเว้นความไม่สุจริตทางกายวาจาความไม่เรียบร้อยการเบียดเบียนทุกอย่างทางกายวาจาเราละเว้นหมดเราอยู่ในกายวาจาที่ดีงามที่ประณีตที่สำรวมที่ควบคุมนี่คือเป็นศิล 3. ามในด้านจิตใจจะด้วยบรรยากาศของการทําบุญก็ตามหรือด้วยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปด้วยศรัทธาก็ตามจิตใจของเราก็ดีงามด้วยเช่นมีความสงบมีความสดชื่นเบิกบานพองใสมีความอิ่มใจตอนนี้เราก็ได้ภาวนาไปด้วยยิงทพระได้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องการทาทานนั้นว่า ทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรสัมพันธ์กับบุญหรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆอย่างไรเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้นและมีความรู้ความเข้าใจธรรมเข้าใจเหตุผลต่างๆมากขึ้นเราก็ได้ปัญญาด้วยด้วยเหตุที่ว่ามานี้ก็จึงกลายเป็นว่าเมื่อเราไปที่วัดนั้นแม้จะไปถวายทานอย่างเดียวแต่เราได้หมดทุกอย่าง ทานเราก็ทาศีลเราก็พลอยรักษาภาวนาเราก็ได้ทั้งภาวนาด้านจิตใจและภาวนาด้านปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปที่วัดถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราจึงไม่ได้ถวายทานอย่างเดียวแต่เราได้มาครบตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอย่างเดียวแต่เมื่อไปแล้วเราได้มาครบทั้งสาม ทีนี้เราจะบอกว่าเราไปถวายทานมาเราก็พูดไม่ครบก็เลยพูดว่าเราไปทําบุญเพราะว่าเราได้ทั้งสามอย่างที่ว่ามา น, นี้ก็เป็นเหตุให้การถวายทานอย่างเดียวกลายเป็นมีความหมายเป็นทําบุญครบทั้งสามอย่างเมื่อโยมเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาไปถวายทานที่วัดก็ต้องทําให้ได้บุญครบทั้งสามอย่าง คือถวายทานอย่างเดียวแต่ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำบุญที่แท้จริง